่ลแล้วเราก็มากัะสือช่วงเคสาดีวันนี้เป็นเคสที่แดลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่มีความปีติอย่างแรงได้กำลังเกิดขึ้นกับลูกอย่างต่อเนื่องและยาวนานหลังจากที่ลูกได้ทุ่มทำบุญสุขพิมานอย่างฉับพลันกระทันหัน โดยที่ไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็ไม่ขาดคิดอ๋อเวลาสมบัติเกิดขึ้นก็นจะเกิดขึ้นอย่างชุกละหุกเตรียมรับพ่ดีกันแล้วกันได้จะขอเล่าไปตามลําดับดังต่อไปนี้ค่ะจาดีทิลลุกรับราช ก, การครูอ้าววันนี้ครูอีกแล้วเนี่ยโอ้ครูผู้ให้แสงสว่างนะผู้กรจัดความมืดบอดในดวงใจของสิทธิ์ของเพื่อมนุษย์ จ่าดีที่รู้รับราช ก, การครูปรารถนาที่จะมีชีวิตภายใต้ครอบครัวเล็กๆอันอบอุ่นก็เพียงพอแล้วนี่ความปรารถนาเล็กๆแต่สามีของลูกนี่สิเป็นผู้ที่มีความใฝ่ฝันและมากไปด้วยความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ก็เป็นปกติของผู้นำเหมือนเนาะก็ต้องรับ ผิดชอบเกี่ยวความปลอดภัยขอชีวิตของครอบครัวจริงทำไมครับฝันที่จะมีกิจการกรองงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นของตัวเองมาตั้งแต่นมๆมอยากจะคิดแต่รวยก็ต้องคิดกันตั้งแต่นมๆมแต่ว่าไม่ว่าจะดําเนินธุ ร, รกิจนี้อย่างไรก็ไม่ประสบความสําเร็จเลยเพราะมักถูกโกงจนขาดทุนแล้วต้องเลิกไปในที่สุดนี่หลยจ้ะบุญบาปมันไม่มีผลต่อชีวิตและเอ็มะ โดยเหตุนี้ลูกจึง ต, ต่อต้านความคิดที่จะมีโรงงานของสามีมาโดยตลอดเพราะว่าทำแล้วถูกโกงและขาดทุนเนี่ยถ้าอยู่เนี่ยยังเท่าทุนนี่ไม่ใชทำให้สามีได้แต่ทํางานเป็นผู้บริหารของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเครื่อมาก็เป็นลูกจ้างเขาเลยมาจนถึงปีส8มดลูกเดล่าออกจากราช ก, การครูมาดูแลลูกๆอย่างเต็มตัวหน้าที่แม่บ้านเนี่ย ที่ลูกเราก็ต้องดูเนี่ยเกิดเหตุวุ่นวาเดียวกับที่สามีได้โอกาสในการรับงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งโดยสามีไปจ้างโรงงานแห่งหนึ่งให้ทําให้แต่ทําทได้ไม่นานกับประสบกับปัญหาใหญ่คือโรงงานที่สามีไปจ้างให้ผลิตเกิดยกเลิกการผลิตบางทีนี่โชคร้ายนกลายเป็นดีนะจ๊ะจึงไม่แห่ที่ลูกไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการตัดสินใจ ตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขึ้นเองเ อ, อ้าวมมีทางเลือกอื่นใดน่าจลรว ย, รวยนี่เห็นไหมจ๊ะนี่เวลาที่บุญส่งผลเนี่ยอะไรอะไรมันก็มันดูดีทั้งนั้นแหละนี่เห็นไหมจ๊ะเพื่อมีชิ้นส่วนยานยนต์ส่งให้กับบริษัทที่สามีรับงานไว้ได้ทุกอย่างก็ดำเนินไปได้ดีๆได้มีลูกรับดู้ลที่ดูแลได้การเงินทั้งหมดของโรงงานปันกดาลิงเธอดูเรื่องเงินอย่างเดียว ตอนเรื่องงานเป็นเรื่องของฉันไอเรื่องงานเปนเรื่องของเธออืองี้ดีมึงเงินเนาะแล้วสามีก็ได้ลาออกจากงานประจํามาทํากิจการอย่างเต็มที่ของตัวเองละเขาจึงได้มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อย่างที่กขาใฝ่ฝันเห็นไหมจ๊ะขอให้ไฝฝันไม่เถิดสักวันต้องสมหวังเห็นไหมจ๊ะนี่นี่ไงลูกก็เลยต้องมาทําโรงงานแบบไม่คาดฝันแต่เขาก็บอกรู้ว่าครั้งนี้เนี่ย เราต้องประสบความสําเร็จนแน่ๆมันจะไม่เหมือนก่อนหรอกครั้งนี้มันจะต้องดีกว่าเก่าต้องดีกว่าคราวก่อนที่เราพลั้งพลาดไปนี่เขาบอกลูกอย่างนี้ว่าครั้งนี้เราต้องดีแน่เพราะนั้นเธอไปล้างมือให้สะอาดรับทรัพย์แล้วก็นับทรัพย์แล้วก็เก็บทรัพย์ซะยังไงเนี่ยดารินชันขอนยี้แจงว่าต้องดีกว่าเก่า เทพบุตรคู่ชีวิตยืยนยันเป็ต้องดีว่าเก่าดาริง่งเธอไปล้างมือ <c oughs> นี่ไม่รับทรัพย응์เก็บทรัพย์นับทรัพย์ได้ช่วยที่เปิดปรโรงงานใหม่ๆนี้เองเนี่ยลูกก็เริ่มรู้จักรพระธรรมกายโดยคําชวญของเพื่อนให้ทําบุญสร้างพระธรรมกายป็นจำตัวเพราะฉะนั้นนี่นะเนี่เมื่อฝ่ายอากุศลกรรมมันถล่มทุกวันนี่นะเคอเชิญชวนให้ไปทํำอกุศลกรรมทุกวันเนี่ยล้วฝ่ายบุญต้องถล่มทุกวันเหมือนกัน <c oughs> ไปชวนเรื่อยๆ ชว น, ท, ว น, ท, วนทุกวันทุกวันทุกวันถล่มก็ไปเรื่อยๆนะเจ้ได้ชวนให้มาสร้างพระธรรมกายไปจาตัวแต่บอกตรงๆนะคะรูปเป็นคนมั่นใจในตนเองสูงออืยอดหญิงก็เป็นธรรมดายอดหญิงก็เป็นอย่างนี้แหละมักใช้ปัญญาตอนพิจิตรพิจารณาก่อนที่จะเชื่อทุกเรื่องจริงหนูเหมือนเป็นคนเชื่อ ย, อยากเพราะยังไม่เกิดความศรัทธาแล้วก็ไม่เคยทําบุญมากขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเบื้องต้นทําให้รูปบอกปฏิเสธ แต่เหตุการณ์มันไม่จบลงแค่นั้นสิหลังจากนั้นประมาณสองเดือนนี่เมื่อบอกตอนตื่นไม่ได้กาละมิตก็เลยไปบอกในฝัน ถ, ถล่มก็ไปเลยตื่นหลับฝันถล่มก็ไปลูกเดียฝันประหลาดว่าลูกได้ยินเสียงผู้ชายที่มีอำนาจนี่พูดสั่งให้ลูกลงเรือแจ้วพอไปกราบหลวงปู่วัดปากน้ำนี่เห็นไหมนี่ต้องถล่มกันทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ พอไปถึงสาราธนะปรากฏว่าตะลิงสูงชันมากแล้วก็เตะมปด้วยโคลนตม้มทําให้ลูกต้องตะเกียกตะการกันไปกราบท่านอย่างทุลักทุเลพอลูกกราบหลวงปู่ได้สําเร็จก็ตกใจตืน่นอืมนี่ไม่จะได้กราบมหาปุญญาจารย์ในตอนหลับฝันไปอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสุริมงคล เ, เดียวเหตุการณ์ในฝันครั้งนี้ติดตาตรึงใจลูกมากเพราะเป็นฝันที่เหมือนเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็โดนใจให้ลูกต้อง สืบส่อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพระเดคุณหลวงปูไม่ได้รู้จักรรกันมาก่อนนะหลวงปูต้องไปตามไปอ้หนูมาเถอะเอ้ยหนูน้อยนี่อย่ามมดดื้อมาทำบุญซะอย่าไม่จ๊ะต้องให้หลวงปูลมบาไปเข้าฝันนี่เพราะนั้นแทนที่จะทำองค์เดียวทั้งสองรหรือหนึ่งชุดสุขภิมาลบันไดและก็โคมไฟ อ, มอย่างนี้แหละแล้วก็ได้เสด์จมาถึงวัดพระธรรมกาย วัดนี้เป็นวัดที่สอนนั่งสมาธิแบบหลงปูวัดปังนะ้ำโดยมีคุณยายอาจารย์เปผู้เป็นศิษย์เองหลงปูเพ่ป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายออ ม, ม่เห็นโบทไปจ๊ ะ, ะบทจะก็ล่มเลยว่ามีอาวุธอยู่นั่นแห ล, ละยังสร้างไม่เสร็จนะถึงปัจจุบันนี้ยังไม่เสร็จเลยนะนะยังจะไม่มีอะไรเสร็จสักอย่างในวัดนี้ <c oughs> <c oughs> ทาไปใช้ไปเรื่อยๆ เขาเขาไปเลือกันวัดนี้รวยแล้วดิเราจสร้างมันจะบ้านครันแรกไปเลยแต่ <c oughs> ไม่เสร็จสักอย่าง <c oughs> สร้างไปใช้ไปอย่างนี้เออดีเพิ่งเงินนะจะได้นึกที่เด้ได้หลายหลายบุญเราจะได้มาวัดเป็นครัง้งแรกและตัดสินใจทําบุญสร้างพระราชเงินหนึ่งพันบาทก่อน<า><า>ลูกขอจินยันว่าลูกเป็นคนเชื่ อ, อยากจึงไม่อยากจะโดนหลอกห <c oughs> ลังจากนั้นจะได้ศึกษาวัดมาโดยตลอด ยิ่งศึกษาก็ยิ่งศรัทธาเออมันว่าบุญมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริง mm. แล้วก็เริ่มทำบุญมากขึ้นเรื่อยๆค ร, รอบครอบครัวลูกมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากทำบุญมากขึ้นเรื่อยๆก็รวยขึ้นเรื่อยๆธุรกิจเรางานขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว mm. เงินทองไหลมาเทมา จะทําให้ลูกสามารถสร้างทานบรมีอย่างที่ทําบุญเป็นเอ็มได้ทุกครั้งที่หลวงพ่อบอกและก็ไปมาทานรองกรถินทุกปีจนกระทั่งบนญลาสุดคือบุญสุดกับพิมานความฝ่ายเลิบเบได้ขาขึ้นลาบมหารัตนวิหารโคตอทุกบุญไม่ขาดเลยไปจ้ะในตอนแรกลูกตั้งใจว่จะทําเพียงชุดเดียวเท่านั้นแหละพอพิ่งจะทําบุญสร้างพระในวันที่22สเมษายนต์เป็นหนึ่งอและ 1S ไปหมัดหมัด แต่อยู่ๆวันอาทิตย์ต้ตนเดือนที่เจพฤษภาคมสี่ก้านี้เองขณะที่ลงนั่งสมาธิช่วงบูชาข้าพระเอาใจจรดกลางตามเสียงหลวงพอ่อก็เกิดความปิติศรัทธาและประารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำบุญสุ ข, ขพิมาลให้เต็มกำลัง10บชุด<า>พระในตอนนั้นมีความรู้สึกจากศูนย์กลางกายว่าบุญนี้ลูกต้องทำให้สุดๆุดสุดความสามารถเลยเมื่อใจเปิดแล้วลูกก็ เ, เปิดอะไรต่อเ ป, เ, ปเปิดกระเป๋าเปิดกระเป๋าเงินถูกต้องจ้ะอืมฝ่ายใจเปิดกระเป๋าแล้วลูกก็พบว่าลูกไม่ได้เอาเงินสดมาแต่ลูกก็ไม่อับจนเพราะลูกมีเช็คมาและเช็คนี้เป็นเช็คดีไม่ใช่เช็คเด้งคือไปถึงก็เด้งแต่ ว, ว่ามันตั้งดับเบิลเช็คแค่เด้งนั้นสลายเอดาเด็กไม่โทรเด้งอืม มันมีเช็คดีเช็คเดชแล้วก็เช็คเด้งนี่นะผู้ประสานงานก็ดีมากค่ะนี่นีผู้ประสานงานก็ตัง้งนี่เห็นไหมจ๊ะ <Yeah. S 1> ทัญญภาพภูมิบุญเนี่ยท่านชื่นชมแล้วก็ต้องทํางานให้ดีขึ้นอีกทรอยจหาให้สําเร็จทําให้ลูกเดชถวายปัจจัยในขณะที่ความศรัทธาและความปิติเต็มเปี่ยมและปิติต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ yeah. ครูไม่ใหญ่ฟังแล้วก็ปีติใจปิติใจไหมจ๊ะปีติใจปีติใจไหมจ๊ะปีใจปีติใจไปทั่วโลกอย่างจ๊ะทั่วโลกนักบุญทนน้อยนี่นะใช้แรงขตัวรำนี่นะเวลาที่พิจสมบัติเกิดขึ้นเนี่ยเสรเซี่ยวอสมมติยกตัวอย่างให้เก้าอี้เพราะตอนนี้เรากำลังอินเดนเนี่ยเออใช้แรงกายแรงใจใช้สองมือนี่ทำนะ แล้วเป็นก็อีเออมันเป็นรูปมืออย่างนี้น ะ, ะแล้วเป็นก็อีนั่งตรงกลางเออสวยดีเก๋ดีเหมือนกันแต่เป็นรัตรนชาติสวยโอ้โอสยสวยสวยมากเลยนี่นักบุญทนน้อยนี่แต่พระใจเกิดร้อยนี่แปลกดีเหมือนกันเลยมมันมันดึกแล้วกลัวว่าเห็นแล้วจะนอนไม่หลับไปไง น, น, นึกแล้วยังเพลื่มไม่หายวันลีขึ้นลูกกระเด็ น, นันนี้มาคืนผู้ประสานงานทั้งหมดค่ะใ่ ลูกมีเรื่องกังวลใจอยู่เรื่องหนึ่งค่ะคือวันหนึ่งลูกไปดูที่ดินสร้างโครงงานลูกรู้สึกชอบที่ดินแปลงนี้พอดีลงที่แนะนําที่ดินแปลงนี้ชวนลูกไปหาพ่อปู่ม า, อ, าอีกแล้วก็แปลว่าโวษซึ่งเป็นร่างทรงลูกก็ตามเข้าไปเมือลูกไปถึงก็ยกมือไหว้สวัส ด, ดีพ่อปู่แต่พ่อปูป่บอกหยุดหยุดยุดอย่าอย่ย า, ยาไหายเราเลยเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะบาปเพราะลูกมีบุญมากกว่ า, อ, าอืมแล้วบอกลูกต่อไปว่าไอ้ที่ดินแปลงที่ลูกสนใจเนี่ยในอดีตชาติเป็นของลูกมาก่อ น, นและก็เป็นที่อยู่ของพญานะ่าเกล็ดสีเขียวรักษาไว้อืมต้องดูเดีมซีไงแทงกระทักต่อถึงสามีของลูกกาลังมีเคราะห์หนักถึงแก่ชีวิตอคนที่ช่วยลูกได้ในตอนนี้มีเพียงคนเดียวท่านก็นคือองค์หลวงหลือง พระองค์เหลืองท่านนี้เป็นผู้มีบุญมากมีญาณเป็นพระแท้ดูดีม <laughs> <laughs> ซีงหงะฝึงเป็นพระที่ลูกกำลังนับถืออยู่ในขณะนี้ <laughs> นี่ใช่เลยแ ล, <laughs> และพ่อปู่ยังบ่อยว่าองค์เหลืองท่านนี้แหละจะเป็นคนเดียวที่ช่วยสามีลูกให้พ้ครอบไปได้ลูกฟังแล้วลูกก็ตะละึงตะลึงถูกต้องจ้า ที่ลูตัลุงพระลูกกับพ่อปู่นั้นไม่เคยรู้จักกันมา ก, ก่อนเลยแล้วก็ไม่ได้บอกข้อมูลใดๆกับพ่อปู่ก่อนหน้านี้เลยอืมเอ้ยพ่อปู่รู้ได้ยังไงรูร้เพราะอืม <c oughs> พ่อขอลูกท่านเป็นเท่าแก่อืมเป็นที่น่านับถือของนับหน้าถือตาอชาว บ, บ้านมากท่านชอบทําบุญอุปถัมภ์วัดโรงเรียนและสงเคราะห์ญาติอืมถูกหลักวิชาเลย ในบ้านปลายชีวิตท่านเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดในวัยเจสิปีโอ้โหนี่ครูวิญญาณก็ใกล้ไปแล้วนี่สองสาวปีครับสองร้าวปีนะนี่มันหกสิบสองเศษเศษแล้วนี่แต่หลังจากที่ท่านเสียชีวิตวป ไ, วป oh, ไปแล้วลูกฝันว่าพ่อจะอยู่ในบ้านหลังใหญ่ <c oughs> แต่ละเก่าหลังใหญ่จริงแต่ว่าเก่า <c oughs> นี่เหมือนปราสาทโบราณเลยนะ <c oughs> เข้าไปอยู่หรือเป็นภาสาทกลัวกลัวจะโกงภราสาทแต่หลังจากที่สร้างองค์พระให้ท่านฝันใหม่เหมือนเปิดไพ่ยิปซีใหม่เปิดที่มันดีจนได้ฝันอีกเรากัว่าท่านหนุมขึ้นยี่สบาสิบปีค่ะฝันอีกรอบลูกเดี๋ยวจะนมกว่านี้ก็มีอีกก็ถ่ า, า, ถายพี่ชายคนโต ของเจ้าของเคสและพระยาของเขามีอาการทางประสาททั้งคู่แต่ทั้งคู่มีบุตรด้วยกันสองคนงงฮมีได้ยังไงเนาะทำให้ลูกต้องรับบุตร ท, ทั้งสองของวิชายมาอุปการะาโดยให้หลานชายมาบวชสร้างบารมีอยู่ที่วัดสาขาของสาขาของวัดไหนเนี่ย ส่วนหลานสาวลูกนำมาเลี้ยงดูเองค่ะหลายๆคนก็งงนะแล้วมักจะถามลูกว่าเออทั้งสองคนนี้นะอืมลูกงงจริงเป็นแฟนกันได้ไงเป็นแฟนกันได้ยังไงเนี่ยอืมนั่นดีเดี๋ยวเพิ่งตกใจที่นี่เราเรียนนุบาลฝันดฝันวิญยานะมีเพลงมีภาพมีพูดอาจารไม่มีเน้นหลักวิชาการอะไรหรอกแต่หากว่าจะไปเรียนให้ลึกซึ้งละเอียดก็ต้องไปหา ผู้เชี่ยวชาญในด้านพุทธศาสนาแต่ที่เราเรียนกันแบบบดเบิร์ตกันนะจ๊ะมีเพลงมีภาพมีพูดเรียนเรื่องนิพพานภพสามโลกันก น, นั่นแหละเรื่องวิบากกรรมอะไรต่างๆแค่นั่นเองพี่ชายคนที่สองเคยเป็นทหารเรือใ น, ห น, ห, นหน่วยนาวิกโยธินทำหน้าที่ปราบปรามผู้ก่อการร้ายทำให้ผู้รายต้องเสียชีวิตจึงเป็นเหตุทําให้เขาไม่สบายใจที่ต้องทํางานแบบนี้คื อ, คอยังมีหัวใจกับมนุษย์เพราะการฆ่ามนุษย์นี่มนุษย์มัน เขาไม่กินเงนะนอกจากคนกินโกลนแต่มีเป็นจํานวนน้อยส่วนใหญ่เขาไม่กินเงนะแต่ทําไมฆ่ากันนะนี่แปลกเพราะนั้นเวลาจะทํางานจึงต้องกินเหล่ายอมใจก่อนถึงจะกล้าออกสนามรบสุดท้ายจึงตัดสินใจลาออกมาช่วยพ่อค้าขายว่าช่วยพ่อค้าขายอยู่2ปีก็มาประสบอุบัติเหตุประสานงานรถสิบลอเชีวิตด้วยวัย36ปี หลังจากปรสบท้องในปี2539เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งใหญ่จนเกือบเอาชีวิตไม่ครอดต่อไปต้องผ่าตัดสมองหลายครั้งเป็นเหตุได้วความจำเสื่อมทำอะไรไม่ได้แล้วก็มักมีอารมณ์ฉุนเฉียวแต่เขาก็มีภรรยาและญาติภรรยาระยะที่ดูแลเขาเป็นอย่างดีค่ะ น, นี่ความจำเสื่อมแต่ว่ามีดูแลอย่างดีนี่เราเราฟังกันมาหลายเคสแล้วเราก็รู้ว่าที่เป็นเหตุอย่างนี้เพราะ ประกอบเหตุอะไรมาใช่ไหมจ๊ะคำถามลูกทําบุญมาแบบใดทําไมลูกจึงมีฐานะดีมากจากการมีโรงงานทาั้งๆที่ลูกก็ไม่เยียชอบทําโรงงานเลยและไม่เคยคิดอยากจะมีโรงงานด้วยจ๊ะการทําบุญแบบประแวทระวังเพราะกลัวถูกหลอกเนื่องจากยังไม่มั่นใจในเนื้อนาบุญกรณีอย่างเนี้ยเวลาบุญส่งผลสมบัติจะเกิดขึ้นอย่างไรครับสมบัติเขาควรจะเกิดแบบ ระแวดระวังมาไอ้บทสมควรจะมาไหมเนี่ยหรือเรายับยั้งไว้ก่อนยับยั้งชั่งใจนี่ก่อนที่จะมาสู่กระเป๋าของใครของคนที่ระแวดระวังเพราะนั้นสมบัติก็จะต้องคิดหนักเหมือนกันจะมาดีหรือไม่ดีเอามาทีละนิดเพื่อระแวดระวังไปหบาทก่อนกา <c oughs> <c oughs> รระวังแบบนี้จะถูกหรือผิดหลักวิชาอย่างไร อะไรที่ถูกหลักวิชาจะต้องทําอย่างไรครับเออทาไมตอนแรกนะลกูกจึงคิดทําบุญสุขับพิมานเพียงชุดเดียวแต่อยู่ๆก็คิดอยากทําบุญขึ้นอย่างกระทันหันอาการศรัทธาจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกิดขึ้นจากสาเหตุใดบ้างครับทำอย่างไรจึงจะรักษาศรัทธาไว้ได้อย่างยาวนาน<ม>ก็อย่าเสื่อมศรัทธาสิใช่ก็เราก็ทําบุญทํำทำทำทำทำทำทำกันไปตลอดชาติอย่างเงี้ยจะนานมากทีเดียวใช่ <c oughs> <c oughs> ทำกันไปจนตลอดชีวิตเลยพอตายปั๊บก็เลิกทํากันอย่างนี้ยาวนานการถวายทัน ท, ทีในขณะที่ศรัทธาเกิดเต็มที่เวลาบุญส่งผลจะส่งผลอย่างไรและหากศรัทธาก็เท่าเดิมแต่ไม่ได้ถวายทันทีตอนนั้นคือมีศรัทธานะแต่คิดดูก่อนหรือม่ศรัทธาก็เอาไว้ก่อนอไว้ก่อนไม่ใช่คิดดูก่อนมีศรัทธาอยากทำแต่เอาไว้ก่อนไว้ก่อนเวลาบุญส่งผลจะแตกต่างกับถวายทันทีอย่างไรครับ เ อ, อมือนเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวแลวเออไปก่อนจนะเพิ่งกินเลยครับกินปุ๊บเลยเนะี่ยอนั่นแหละก็กายกายอย่างงี้แหละแต่ที่ลูกทำบุญนี่นะมันก็เป็นเงินยืมชั่วคราวบุญจะ ย, ย้อนลงอย่างไรหรือไม่คะลูกทำบุญมาอย่างไรจึงมีสามีที่ดีมากออืถูกรถตัวนี้รางวัลที่หนึ่งหลายๆครั้งเดียวที่มีสามีที่ดีมากอย่างนี้ต้องเป็นคู่บุญคู่บารมีกันนะ สมากจะดีน้อยเนะี่ยเป็นคนขยันหาเงินเก่งมากแล้วก็มอบควาไมไว้วางใจลูกเนะี่ยเก็บเงินทั้งหมดเลยและใช้จ่ายได้โดยเ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยใครดาริ่งทําอะไรก็ก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยวเชิญตามสบายเถิดดาริ่งเอเมนจ้ะนี่ยจ ะ, จะทํากี่ชุดก็เอาอืคู่บุญคู่บารมีก็จะเป็นเงินอย่างนั้นนะนสิ่งที่พ่อปู่ทักเกี่ยวกับเรื่องที่ดินว่าเป็นของลูกเนีดีชาติ และมีพยาหนาคดูแลรักษาอยู่ขอรบถึงเรื่องสามีว่าจะมีครรภ์นั้นจริงหรือไม่คะถ้าเป็นจริงคนรทาอย่างไรทั้งเรื่องที่ดินและสามีคะบุปกรรมใดทําให้พ่อของลูกเป็นม ะ, ระเร็งปอดตายแล้วท่านได้มาเข้าฝันลูกจริงหรือไม่และทำไมลูกถึงฝันว่าท่านหนุ่มขึ้นหลังจะกที่สร้างพระไปให้ท่านแล้วตอนนี้ท่านอยู่ไหนได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรฝากบอกลูกไหมคะบุพกรรมใดทําให้ลูกทำไมพี่น้องที่มีปัญหาทางสมอง เดิชายคนต่อและพี่สะพ้ยก็มีอาการทางประสาททั้งคู่ลูกจะช่วยเขาได้โดยวิธีใดโอนาสงสารนะลูกชายและลูกสาว ข, ของวิชาคนนี้เคยสร้างบารมีมากรม่อคณะมาหรือไม่อย่างไรลูกชายของพิชามีผังบวดหนาแน่นไหมและจะสามารถคลางเพศบำเพชิตได้ตลอดชีวิตหรือไม่คะทําไม่ศึกก็ตลอดชีวิตเลยบุพ ก, กรรมได้ทําให้น้องชายประสบอุัติเหตุจนต้องผ่าตัดสมองหลายครั้งไปเหตุใดต้องสูญเสียความจําไปคะ เขามีโอกาสหายไหมครับต้องช่วยเขาอย่างไรบนใดที่ทําให้เขามีภรรยาและญาติภรรยาดูแลเขาเป็นอย่างดีคะ่บะบุญกรรมใดทําให้พี่ชายคนที่2ถูกรถชนเสียชีวิตตายแล้วไปไหนที่เป็นนาวิกโยธินเดล้าบนเทุทิตให้หรือไม่มีอะไรฝากบอกหรือไม่คะโลกสามีและลูกทั้งสองคนได้สร้างบารมีมากหมูคณะในรูปแบบใดลูกสาวคนโตมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมเขาไม่เพีนพอที่จะทำงานทีเดียเพืคุณหลวงพ่อมอมหมายได้สําเร็จหรือไม่ แล้วเขาจะต้องทำอย่างไรคะจำเรื่องราและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับลับตาฝันเปนตัวเป็นตาตืืนขึ้ น, นมาท้าหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัม b บรากันจาะโลกมีฐานะดีมากจากโรงงานทั้งๆที่ไม่ชอบทำาโรงงานเลยเพราะ ผลแห่งทางบารมีธี่ทำเอาไว้อย่างเต็มที่กับหมู่คณะในอดีตระสงค์ผลอีกทั้งเวลาทําบุญมักจะตัดสินใจทําเลยเมื่อพิติตรีดีโดยไม่ได้คิดมา ก, ก่อนล่วงหนะ้าดนั้นจึงจะได้อะไรมาอย่างไม่คาดฝัน oh. นี่ไปจ้ะเมื่อบุญส่งผลก็จะประสบความสําเร็จจากอาชีพอะไรก็ได้ hmm. เช่นโรงงานดังกล่าวเป็นต้นจ้ะ <Yeah. S 1> คือปฏิบัตจังหวะนั้นมาพอดีกับความปรารถนาของเทพบุตรพ่อบ้าน <Yeah. S 1> อยากไปร ง, งงาน เสร็จโปรแกรมไปนบุญก็ปุ๊บไปเลยการทำบุญแบบระแวดระวังพระกลัวถูกหลอกเนื่องจา ก, กไม่มั่นใจในเนื้อนาบุญกรณีอย่างนี้เน่เวลาบุญส่งผลสมบัติจะเกิดขึ้นกับต่อเมื่อเราใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างละเอียดเที่ยท่วนในงานแล้วลงมือทาทรัพย์จึงจะเกิดขึ้นแต่จะไม่ใช่สมบัติมรรท่า ต้องทําท่าไว้รออะไร oh. อย่างเงาต้องทำท่าก่อน oh. อย่างเงี้ยถึงจะคือพี่นะไอ้ท่าอย่างนี้ดีไหมนี่ถ้าท่ามากก็ไม่เจอ oh. ถ้าท่าอย่างงี้แอมก็ได้ซับ oh. คือต้องพี่นะเฮ้ยจะทําอะไรดีนะมันจะเสียเวลาตรงเนี้ยที่พี่นิดพิจารณาเฮ้ยนะจะทําอะไรดีนี่ดีไหม oh. จะขายโรลส์รอยหรือเครื่องบินเลือ่ออะไรอนยะ่างเงี้ย แต่ไม่ใช่สมบัติมาราทแต่ก็สมเร็จด้วยกำลังแห่งทานบารมี<อ>เพราะคิดพิจิตรพิจารณาแล้วทำํำสมบัติจะเกิดขึ้นช้าสักหน่อยต้องใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างทีทุกทีสมบัติก็เล่งดูพิจารณาทีทุวนควรจะมาตอนไหนอย่างอย่าง<ช>งี้ <c oughs> ไ ง, ไงถ้าปุ๊บทำํำทันทีสมบัติไม่ลังเลเออคนนี้ใช้ได้นี่สัทธาปุ๊บมาเออแล้วก็อเลิศที่สมบัติก็อเลอิศพุดถึงเลย การทำแบบนี้ถือว่าถูกหลักวิชาในระดับขั้นต้นอย่างที่พี่นิพนธ์น่าดูแหล่งเนือเงินบนก็ถูกนะจ๊ะในระดับหนึ่งแต่ว่าเมื่อเราได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าใช่ก็ลงมือลุยสร้างบารมีเลยอย่างเต็มที่จึงจะถูกหลักวิชาสมบูรณ์คือพิจารณาแล้วเออในใช่ใช่เลยประมาณนี้เลยก็ลุยเลยนี่ลุยไม่มีประมาณอะไรเงี้ยใช่มถ้าได้ในใช่เลยประมาณนี้เลย ก็เลยทําบุญอย่างไม่มีประมาณเมื่อบุญสมผลก็จะมีสมบัติมารอท่าเลยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเลยพอมาเกิดออกจากคันบันดาหาวสองทีก็มีทราบประคอยคอยวันเวลาที่จะยกสมบัติให้ลูกนี่ไงนี่และจ้าเราจะเอาไงทํางานเหนื่อยแล้วได้กับหาวสองทีเออแล้วมีสมบัติปุ๊บเลยงี่ไงอืม เหมือนนเมื่อผู้มีบุญในการก่อนในสมัยพุทธกาลไว้จ้ะ <Yeah. S 1> เกิดมานี่พ่อแม่รักมากเพราะท่านมีบุญมากเนี่ยไม่ให้เดินเหยียบพื้นเลย <Yeah. S 1> จะไปในเ อ, เอาพรมเอาพรมเนี่ปูไปก่อนให้เดินบนพรมพอฝ่าเท้าท่านมีคนนั่นละเอียดอ่อนที่สวยงามมากเคยขึ้นด้บุญเนี่ยพ่อแม่ไม่ให้เหยียบเลยพื้นไม่นี่ลูกอย่าเหยียบนะเอาพรมปู โลกกับคุ้นเคยกับพรหมแต่เด็กก็คือเด็กเนี่ยบางทีงอนเมื่อไงอยากจะพิชิตโน่นพิชนี่พ่อแม่ก็เป็นหัวบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยฝนมันมาตั้งเขาแล้วเดี๋ยวเราองฝนจะโดนเดี๋ยวจะเป็นหวัดนะลูกนะเอหรือแดดส่องไม่ได้โดนแดดได้ไม่ได้เดี๋ยวผิวเสียอะไรอย่างต่างบางทีงอนเมื่อไงนนะงอนกับพ่อแม่วิธทีงอนคือเดี๋ยวไม่เดินบนพรหมแล้วนี่อืมเนี่ย บอกกับพ่อแม่นะถ้าขัดใจหนูอีกครั้งหนูไม่เดินบนพรมอ้ า, อามีใครเจออย่างนี้มัง่งมเออมีแต่เดินบนพื้นอย่างเดียวไอเดินบนพรมแล้วมันก็จะได้เดินนี่นี่ฝ่าเท้าต้องให้สัมผัสพรมละเอียดอ่อนเป็นสุขุมาริชาหนึ่งแต่เกิดนี่ไงล่ะจ๊ะตอนแรกเราคิดอยากทำบุญสุขพิมาณเพียงชุดเดียว ต่อมาก็อลเลดคิดอยากทําบุญอย่างกระตันหันอาการศรัทธาที่เกิดขึ้นอย่างกระตันหันเกิดขึ้นจากจิตที่ผ่องใสเป็นอสนุนเพราะบุญในตัวสอดละเอียดให้คิดอย่างนั้นพระในตัวบุญในตัวสอดละเอียดไปใจใสใสแล้วบุญก็ได้ช่องพระก็ได้ช่องสอดละเอียดมาในขบวนการความคิดคําพูดและการกระทําเห็นไหมจ๊ะเมืใจผ่องใสแล้วเวลาสมบัติเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นอย่างชุกระหุด คือพรวดพลาดเกิดขึ้นมาเลยอย่าช็อกซะก่อนเลยจะรักษาศรัทธานี้ตั้งมันอย่างยานานก็ไม่ยากก็มันทําขยันทําทําสม่ําเสมอทั้งทางศีลภาวนาเป็นต้นให้ใจอยู่ในบุญทุกบุญที่เราทําผ่านมากระลึกนึกถึงบุญไว้ใจจะได้ผ่องใสศรัทธาก็จะได้ตั้งมั่นสม่ําเสมอใช่คือต้องนึกถึงบุญบุญบุญบุญบุญบุญบุญอย่างเดียวนี่แหละ การถวายทาถวายทันทีที่ศรัทธาเกิดขึ้นหนึ่งที่เวลาบุญส่งผลทรัพย์หรือสมบัติหรืออะไรที่เราปรารถนาก็จะเกิดขึ้นทันทีแบบไม่ต้องรอเวลาอีกทั้งไม่มีอุปสรรคอันใดเลยจ้าไม่มีอุปสรรคอันใดเลยนี่หากศรัทธาเท่าเดิมแต่ยังไม่ทําทันทีศรัทธายังคงรักษาไว้ได้แต่ยังไม่ทำททงคอเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ย เวลาบุญส่งผลจะแตกต่างจากการถวายทันทีคือบุญจะเกิดขึ้นช้าแต่เวลาบุญส่งผลก็เต็มที่สมบัติก็จะเกิดขึ้นช้ากว่าคิดแล้วทําทันทีนะจ๊ะอย่างนี้ไงตามทันไหมจ๊ะแม่ที่ทําบุญจะเป็นเงินยืมชั่วคราวก็ตามเมื่อทําทนันทีก็ได้บุญทันทีแต่ก็ต้องคืนทันทีเหมือนกันนะอล่ลูกถึงจะได้บุญทันที คืนเนี่ยไปยืมมาเท่าไหร่ก็ไปคืนเท่านั้นบุญก็ไม่ได้ย่อนลงมาจ้ะวันจ่ไปยืมเงินก็มาทําบุญแล้วนี่แต่ให้เจ้านี่ขอลืมไว้ให้เจ้านี่ยืนดูตาปิบปินี่ไปยืมเงินกันมาเนี่ยแหมหลวไม่ใหญ่แล้วเบื่อเบื่ออย่างรู้ทําไงคนรักกันเนี่ยจะไปยืมกันเลยยืมเนี่ยหรือยืมก็ไม่ว่าละไปยืมที่แบงก์นี่เขาให้ยืมเลย อาแบงก์ก็มีไว้ให้ยืมยิงเลยถ้ายืมกับคนนี่กับมนุษย์นี่นะมันมีเรืเ่อยแต่มีศรัทธานะพวกนี้มีศรัทธามาทําบุญเนี่ยแต่ไม่มีศรัทธาจะไปคืนเขาเนี่ยใช่เจ้าหนี้กับเอ๊ะทาไมลูกนี่เป็นเจ้าภาพแต่เราเป็นเจ้าหนี้เอ๊ะแปลกเจ้าหนี้นั่นเจ้าภาพเอ๊ะอินี่ทำไมอินี่ไม่ได้โบนะอินั่นได้โบเลยนะแต่อินนี่เอาเงินยืมของ้ ฉานไปอย่างเงี้ยแต่อีนี่จะภาพอีกโอก็ลืมไปอะไรเนี่ยลืมคืนเหมือนยืมเงินก็มาทําบุญนี่นะเวลาบุญเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับเจ้านี้นะอาจจะของเงินน่ะแต่เราก็มีส่วนแห่งบุญด้วยเพราะว่ายืมก็มาทําบุญแต่ทรัพย์เกิดขึ้นกับเขาก็คงไปยืมเงินอีก็แล้เพราะฉะนั้นเอาไปคืนก็ได้แจ้งใครไปยืมอย่างเงี้ยไปคืน แล้วจะไปคิดเอาเองว่าเขาคงเคยยืมเรามาก่อนวิชาที่แล้วเพราะฉะนั้นเราล้างแค้นขอคืนหาควรไม่นะจ๊ะหาควรไม่ <c oughs> <c oughs> พึง่งยาไปทำอย่างนั้นแราวบางทีมันเป็นกรรมใหม่นีสิแม้กรรมเก่าก็อย่าไปทำอย่างนั้นไปคืนเขาเนี่จะดีนี่จะไ่คืนเดียวนี่นะไอเจ้าของเงินก็ไปอยู่ดุสิตแต่ว่าไอคนขอลืมนี่ <c oughs> อยู่ภูม่านี่ ไปเที่ปาดกวาดไปไม่เงลูกเป็นสามีดีมากเป็นคนขยันหาเงินเก่งมากแล้วมอบความไว้วางใจลูกเก็บเงินทั้งหมดและใช้จ่ายได้โดยไม่ว่าอะไรโอ้โหนีน่ในอุดมกติเทพประพฤติในอุดมคติเลยเนี่ยคือหาเงินให้หมอบให้เก็บและใช้ดัลลิงจะเอาไปใช้แล้วก็ตามสะดวกจะช่วยใช้หน่อยเถอนะดัลลิงจะเอาเงินที่ฉันหามาเนี่ยเอาไปใช้หน่อยเถอนะแต่ให้เกิดประโยชน์ก็แล้วกันนะนี่หา ย, ยากนะ นี้ถือว่าอยู่ในอดมกติเลยแล้วถ้าหากเทพบุตรพอบ้านให้โอกาสอย่างงั้นเนี่ยต้องรีบใช้ทันทีเลยเนะนี่ยนี่อย่งนี้เดี๋ยวอพอบ้านเทพประบก็จะลำพึงจบนนะบ่นเนอะอะไรช่วยใช้เงินนี่หน่อยไม่ได้แล้วจะช่วยอะไรได้ไดอแล้วจะไปตอบอยังไงเนี่ยถ้าแทพประบุบอกอะไรไดาริงแค่เธอช่วยใช้เงินที่ฉันหามาเนี่ย ไ, ไปหน่อยไม่ได้เลยแล้วเธอจะช่วยอะไรไ เออเขอทา่าดี <Hello. S 2> <laughs> เหมือนกันแตเหมือนลรเตรียมอาหารไว้เนี่ยเ <Okay. S 1> ชวนพักพว้มารับประทานอาหารที่บ้าน <Okay. S 1> เขาก็เกรงใจ <Okay. S 1> ก็ไม่ไม่มาเข้าวงอาหาร <Yeah. S 1> จนท่านเจ้าของบ้านบอก <Yeah. S 1> อะไรแค่ช่วยให้มากินหน่อยกัน <laughs> ช่วยไม่ได้แล้วไปช่วยอะไรได้ <Okay. S 1> แค่ขอให้ช่วยกินอาหารที่เอเตรียมบอกว่าให้อย่างเนี้ยถ้าช่วยเรื่องกินไม่ได้แล้วจะไปช่วยอะไรได้ <Okay. S 1> เออนี่ <laughs> แน่ดีก็เป็นสามีภรรยากันนะจ๊ะเวลาทําบุญก็จะทําร่วมกัน<อ>นี่เป็นคู่บุญคู่บรมีกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอะระหว่างทํามีความมิติแล้วก็มีความเป็นใหญ่ในทานหรือเจ้าของทานร่วมกันไม่ขัดแย้งกันเลยเป็นใหญ่ในทานคือเต็มอิ่มอยู่ในทานนั้นนะเพระบางก็คิดว่านี่เราก็เป็นเจ้าของบุญนี้ไม่บางก็คิดว่าเราก็เป็นเจ้าของบุญนี้เพราะเราเป็นเจ้าของทรัพย์นี้ มีมีความรู้สึกอิ่มอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อบุญส่งผลเนี่ยทั้งคู่จึงเป็นใหญ่ในทรัพย์นั้นเด้วกันทั้งคู่ไม่ขัดใจกันในการใช้เงินเลยถ้าสมมุติพ่อบ้านเนี่ยเป็นใหญ่ในทรัพย์อยู่คนเดียวเวลาแม่บ้านจะใช้จะอืเธออย่านะเธออย่า please โปรย อ, อยู่เฉยอย่างงี้ยหรือถ้าแม่บ้านเป็นใหญ่ในทรัพย์บอก darling เธอมีหน้าทีห่หางกับเมียเดียวเธออยา่าอย่างเงี้เป็นใหญ่ในทรัพย์นี้ มีสิทธิ์ที่จะใช้ทรัพย์นั้นอย่างเต็มอิ่มนี่ถ้าหาว่าคู่บุญคู่ปริมีเราสร้างบุญกันอย่างไม่ขัดใจกันเลยเนี่ยจะเป็นใหญ่ในทรัพย์เจอกันทั้งคู่คือใครเอาทรัพย์ไปใช้ก็อีกคนก็จะปลื้มด้วยไม่ว่าจะไปใช้ทําอะไรจะปลื้มแล้วก็ไม่ขัดใจคือในใจไม่มีความทุกข์ใจเลยไม่สูญเสียความสงบของใจเลยมีความยินดีอาดัลิงทาไปเถอะอย่างนี้ไ ง, ไงตามทันไปจ้ะ ถึงที่พ่อปู่ทักว่าที่ดินผืนนี้เป็นของลูกในอดีตชาติและมีพญานาครักษาอยู่รวมทั้งเรื่องสามีจะมีเคราะนั้นก็ลืมมันไปเถิดลืมลืมมันไปซะจะไปเสียแป๊ะเจะทุกจะไปกลุ่มฟรีมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ว่าพ่อปู่เนี่ยอยากช่วยเจ้าของที่ให้ขายที่ได้จึงพูดเป็นตูเป็นตะเพื่อให้ลูกซื้อที่ดินใช่ส่วนสามีจะมีเคราะนั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงเหมือนกัน อย่าไปสนใจเลยจ้าสร้างสมบูรณ์แล้วก็ตั้งหน้าต่างตาทำมาหากินดีกวา่าอีกทั้งที่ดินพืนนั้นเอกสารสิทธิ์ก็ยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นลูกอย่าไปเสียงเลยจ้าอย่าไปทะเลาะ ก, กับหลวงมาเลย <c oughs> นี่ให้นึกสมบูรณเรื่อยๆเดี๋ยวจะได้ที่ดินที่ถูกตา้าคือเห็นแล้เอ้ยทําเลทองดีจังเลยเนี่ย <c oughs> แล้วก็เอกสารสิทธิ์ถูกต้องอื ไม่ต้องไปลกไหลวงมีนโนดมีนี่นอสากอสตนอางน า, 3, นาแล้วก็ถูกตังด้วยอืมเ <c oughs> มื่อถูกตาถูกต้องถูกตังก็ถูกใจ <c oughs> อ่านี่นะจ๊ะ <c oughs> นี่จะได้อย่างนี้เลยพระลูกเป็นผู้มีบุญทั้งสองคนพ่องลูกนะ่ะเป็นมะเร็งปอดพระกรรมสูบรีทั้งแน่ดีและปัจจุบันกับกรรมแนดีที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมกรรมสูบรีแล้วก็ ตอนเกิดแต่สำเร็จการได้เผาที่นะ่จนทำให้ควันน่ะรมสัตว์ตรงนั้นนะ่ะมันก็ฟุดฟัดจมูกฮัทฮ <c oughs> ัดเชื่อยอะไรอย่าง <c oughs> าเงี้ยหรือรบกวนชาวบ้านแถวนั้น <c oughs> ทั้งวัวทั้งควายก็ฮัทัทเชื่อย <c oughs> อย่างงี้ยอย่างงี้ยนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็ชอบเผาป่าหักรางถางพง <c oughs> นี่ จนควันลมคนเดือดร้อนและสัตว์ที่อยู่ในที่นั้นตายกับกรรมที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นเทพ บ, บุตรฉันจะตุมหาราชิกาสายยักษ์ขั้นสูง<ม>เป็นยักษ์ไฮโซยักษ์ลอ้อได้รับบนที่ยวทิพ์ไปให้แล้วก็ทําให้มีทิพย์พยัคสมบัติเพิ่มขึ้นสมบัติยักษ์นี่นะออืยักษ์ผ<ม>ิวก<ม>็จะสีแทนเนีย อย่าไปเป็นยักษ์เลยนะเพราะว่าบริวารยักษ์นี่เคี่ยวมันงอกเคี่ยวทั้งนั้นเลยพวกนี้เคี่ยวงนั้นเลยบริวารยักษ์นี่ยเพราะมันเป็นยักษ์เคี่ยวมากเลยคือเนี่ยนั่นก็เคี่ยวเนึ้อเคี่ยวเคี่ยวตอนนี้มีสภาพดีขึ้นึกด้านเลยที่ลูกฝันไปก็เป็นเรื่องจิตนิวรน์เท่านั้นจ้ะอย่าไปสนใจเลย ท่านฟ้าบอกมาว่าตอนนี้มีความสุขมากแล้วก็ได้รับบุญทุกอย่างที่อธิษฐานไปให้เจ้า<ม>แล้วท่านกระ บ, บอกฟ้ามาบอกว่า<ม>อย่าเป็นยักษเลยเจ้า<ม>ก็อย่ามากโกรธเลยลูก พ, พี่น้องที่มีปัญหาทางสมองโดยพิชารณาคนโลและพิสพายมีอาการทางภาษาทเพรา ะ, ะอะเราเรียก ม, มยันอะไรกันะเลี้ยงสุรากรรมสุราทั้งคู่มีกรรมดื่มสุราในอดีตติดตัวมาจึงท้ายมีอาการทางภาษาส่วนตัวลูกเองมีกรรมเลี้ยงสุราและให้ของขวัญด้วยสุรา เรส่งผลต้องมาดูแลพี่น้องที่มีอาการทางประสาทจ้ะความรู้เหล่านี้เนื้อหาในบทละครทางทีวีไม่ได้หรอก ไ, ไปดูหนังดูละครไม่มีเรื่องเหล่านี้หรอกหรือ จ, <ะ>จะช่วยเขาได้ก็โดยทําบุญทุกบุญแล้วติดฐานจิตให้บุญนี้ไปตัดปรานิบาป ก, กรรมสุราดังกล่าวและช่วงไหนจิตใจก็พอจะรับได้ก็ บ, บ่เข้าอนุโมทนาบุญจ้ะเวลาที่พี่ชายคนโตและพี่สะพ้มีอาการรู้สึกดีขึ้นนิดถึงก็บ่เข้าอนุโมทนาบุญ จับไม้จับมือครับบอกเขาอาสาธุสาธุอะไรให้ทําเท่าที่จะทําได้นะจ๊ะลูกชายและลูกสาวของวิชาวันนี้เคยสร้างปรมีกระหมูคณะมาแดยบางชาติก็เป็นกองเสบียงบางชาติเขบวชจ้าผังบวชหนาเนี่ยในระดับหนึ่งยังประมาดไม่ได้ให้ตั้งใจดำเนินชีวิตในเพศทั้งบวชให้ดีจ้าแล้วก็จะซึบจึงจะบวชได้ตลอดชีวิตน้องชายประสบัติเหตุจนต้องผ่าตัดสมองหลายครั้งเป็นเหตุให้สูญเสียความจําไปเพราะนาะยดีเคยเมา และมีเรื่องทะเลวิวาททุบตีคู่วิวาทจนเขาบาดเจ็บทางสมองเกิดอาการเดียวกับที่น้องชายเป็นในปัจจุบันวิบากรรมนี้มาส่งผลจ้ญญญาคือทําอย่างไรก็ได้อย่างโอกาสหายนะ่าคงจะยากดังนั้นให้ใส่ชื่อเขาทุกครั้งในการทําบุญจ้าก็จะช่วยให้หนักเป็นเบาแต่ว่าเขามีบุญเลี้ยงดูบิดามารดาบุญสงเคระาะห์ญาติและภริยาแนวดีทําให้บุญนี้บรรดาในภรรย า, รยาและ ญาติพยาดูแลเป็นอย่างดีไม่เบื่อนายจ้ะ oh. พิชาคนที่สองถูกรถชนตายเพราะกรรมในดชีชาติชาติหนึ่งได้เคยเป็นทาหารเหมือนชาตินี้แหละ <Okay. S 1> ได้ออกรบค้ากศึกตายเป็นจำนวนมากวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้อายุสั้นไม่ยืนและประสบอุบัติเหตุตาย mm. ตายแล้วก็ไปยมโลกขอมหาสารลกขุมหนึ่งในกรรมปานาทิบาตกาลังโดยเจ้าหน้าที่ยิงยิง ย, งยิงดิปืน ตายเกิดตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนทุกทรมานมากจ้ะนะได้รับบุญธุวิปไปให้แล้วแต่ยังไม่หมดกรรมได้รับแค่ลดหย่อนบ่อนโทษออกมาตอนนี้เขาอยากได้บุญบามากๆเพื่อจะได้ผลอยากเยี่ย ม, มโลกนี้อันั้นก็ให้ทาบุญธิวติปไปให้อีกบ่อยๆจ้ะลูกสามีและลูกส า, สาวสองคนก็ได้สร้างบารมีกัมู่คณะมาโดยเป็นกองสเสบียงและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจ้ะ ส่วนลูกสาวคนโตก็เป็นกองเสบียงและช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโดยพุทธนดที่ผ่านมาก็เป็นคุรัิดาจากคุรธิดาไฮโซคุรธิดาไฮโซได้ตั้งความปรารถนามาว่าขอให้ได้มีส่วนในการเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้กว้างไกลตั้งความปรารถนามาเมื่อชาติที่แล้วชาตินี้ก็ต้องทําให้สําเร็จนะลูกนะ แต่ให้ลูกระวังเรื่องศ่สอสอเสือส่เสือระวังเรื่องส่อเสือส่อเสือสุภาพบรุบรุษถูกต้องจ้าระวังเรื่องศ่อสุภาพบุรุษในช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยให้ดีช่วงนี้ต้องระวังให้ดีศศอสอ่สอสุภาพบุรุษกำลังมาแรงจะทําให้เป้าหมายเบี่ยงเบนแล้วก็ไม่สำเร็จอย่างที่ได้ตั้งใจเอาไว้จ้า อย่างที่คุรุมิใหญ่อยากจะให้เป็นไปอย่างนั้นแหละพุทธนอนที่ผ่านมาก็มีดีอย่างพุทธนอนที่ปากหน ม, มีผลการปฏิบัติธรรมได้กระทึงดวงใสองค์พระใสใสเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้อลงมาสร้างบารมีได้ถึงสองรอบจ้านี่เธอมาจากดุสิตบุรีวงบุนพิเศษทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเธอสามารถทํามโนปณิธานที่มอบหมายไว้ให้เนี่ยได้สําเร็จนะ แต่ตอนนี้สอสอสอสอสอสุดภาพบรุษมาแรงแซงกลูไม่ใหญ่แล้วนี่ออเอะ๊ะเราจะทำอย่างไรดีชาตินี้มาาันใจกลางการแต่งใจสร้างบรมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติฐานจิตตาติปิรุสิบรีวงบนวิเศษเขตบรบมโพธิสัตว์จะได้พลักันเลยจ้าจาที่ก็เป็นเรื่องราวของแคสตีดด้สั้นๆ ส, ส, สำหรับคืนนี้